บทที่3ศสีละสิกขาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องสีลเพื่อให้กายวาจาสงบเรียบร้อยอันจะเป็นพื้นฐานให้จิตเกิดสัมมาสมาธิในลำดับต่อไปชนิดของสีลสีลมีหลายระดับแต่หากจะจำแนกง่ายๆ ก็อาจจะแบ่งได้สามกลุ่มคือ 1. ศีลในระดับจริยธรรมสศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมและสศีลของพระอริยบุคคล 1. ศีลในระดับจริยธรรมได้ แ, แก่การงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายและวาจาเช่นศีลห้า ศีล8ศีลส0และศีลส2 7ีเป็นต้นศีลชนิดนี้เกิดจากเจตนามั่นที่จะงดเว้นการทำความชั่วยาบทางกายและว่าจาผู้มีศีลเหล่านี้จะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขและตัดเครื่องรบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านลงได้ศีลระดับนี้จำเป็นมากสำหรับนักปฏิบัติอย่างน้อยที่สุด ผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งใจงดเว้นการทําบาปอากุศล5ประการคือการฆ่าและการทําร้ายคนและสัตว์ทั้งหลายการเบียดเบียนประทุษร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นการเบียดเบียนประทุษร้ายของรักของห่วงเช่นบุตรภรรยาของผู้อื่นการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคำหยาบและกล่าวเพ้อเจอ้อและการเสพสิ่งเสพติดอันหนึ่เครื่องส่งเสริมความประมาทขาดสติของตน สศีลเพื่อการปฏิบัติธรรมอันได้แก่อินสียสังวรศีลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากศีลในเชิงจริยธรรมอีกชั้นหนึ่งเกิดจากการมีสติคุ้มครองรักษาจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเมื่อเห็นคนอื่น ทำกระเป๋าสตางค์ตกจิตเกิดความอยากได้ก็มีสติรู้ทันความอยากได้ของตนความอยากนั้นจะครอบงำจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่และเรียกเจ้าของให้หยิบกระเป๋ากลับไปได้อย่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือเมื่อถูกคนด่าว่าจิตเกิดความโกรธก็มีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธนั้น จะครอบงมจิตไม่ได้จิตจะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ไม่มีเรื่องต้องทะเลาะวิวาท ด, ด่าทอหรือทำร้ายกันเป็นต้นอินทซียสังวรศีนนี้เป็นเครื่องมือฝึกสติได้เป็นอย่างดีนอกจากจะเป็นศีนแล้วยังเกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตในชีวิตประจำวันด้วยจึงเป็นสิ่งที่เพื่อนนักปฏิบัต ควรฝึกให้มีขึ้นในชีวิตประจําวันให้ได้ 3. สศีลของพระอริยบุคคลเป็นศีลที่พัฒนาไปจากอินทรียสังวรศีลอีกชั้นหนึ่งเป็นศีลอัตโนมัติที่ไม่ต้องจงใจรักษาเพราะพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอนาคามี จะไม่กังวลสนใจคอยนับสีนเป็นข้อๆแต่จะมีธรรมคือสติสัมมาสมาธิและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ถูกกิเลสห ย, ยาบๆครอบงำจนถึงขั้นการผิดศีลในเชิงจริยธรรมได้ส่วนพระอรหันต์นั้นจิตปราศจากอาสวะกิเลสห่อหุ้มจึงไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสยอมจิตได้อีกดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีทรรมใดเป็นเครื่องรักษาจิตจากกิเลสอีกต่อไปวิธีมีศีลคนทั่วไปรักษาศีลด้วยการข่มใจไม่ให้ทำชั่วแต่นักปฏิบัติควรรักษาศีลด้วยสติปัญญาคือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายกระทบสัมผัสหรือใจรู้ธรรมารมณ์ต่างๆหากจิตเกิดความยินดีพอใจก็รู้ทันหากจิตเกิดความยินร้ายไม่พอใจก็รู้ทันและหากจิตเฉย อ, อยู่ก็รู้ทันการรู้ทันนี่แหละเป็นงานของสติเมื่อรู้ทันแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิด อกุศลที่เกิดอยู่แล้วจะดับไปกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็จะเกิดง่ายยิ่งขึ้นและจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากความรู้ทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะประกอบไปด้วยความรู้จริงหรือความเข้าใจด้วยคือรู้ว่าความยินดีพอใจหรือความยิ่งร้ายไม่พอใจตลอดจนความเฉยเฉยนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นสิ่งที่จิตปรงแต่งขึ้นมาเป็นคราวๆห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะก็ดับไปการรู้ความจริงนี่แหละเป็นงานของปัญญาผลของการศึกษาเรื่องศีลมีหลายประการที่สำคัญคือหนึ่ง สามารถดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 2. ทําให้จิตใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลส ช, ชั่วยาบครอบงำและพร้อมที่จะพัฒนาจิตให้เกิดสัมมาสมาธิและปัญญาต่อไป 3. เป็นการฝึกหัดการเจริญวิปัสสนาไปในตัว และสทํทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นและอนุสัยกิเลสจะค่อยๆ อ, อ่อนกําลังลงเพราะกิเลส ช, ชั่วยาบไม่ได้รับการตอบสนองเป็นต้นสรุปแล้วการรักษาศีลด้วยการข่มใจทำให้จิตสงบจากกิเลส ช, ชั่วคราวแต่การรักษาศีลด้วยสติปัญญาเป็นการเจริญวิปัสสนาไปในตัวจะทำให้จิตพ้นกิเลสถาวรในอนาคตได้